ชื่อค่ะชื่อแอร์อรค่ะหลวงตาก็ปฏิบัติมาหลายปีอ่ะก็ปฏิบัติจับหลักไม่ได้อ่ะจนกระทั่งเมื่อไม่นานมา น, นี้ใช้หลักการเจริญสติเคลื่อนไหวเพื่อรู้สึกตัวค่ะก็ทำไปทำไปเรื่อยๆแล้วไปเจอความว่างแล้วก็ฟังคลิปจิตคือพุทธะไปด้วยค่ะหลวงตาแล้วก็คิดว่าตัวเองน่าจะเข้าใจผิด ก็ไปไปรังเกียจความคิดพยายามให้ความคิดมันไม่มีเพื่อจะได้อยู่กับความว่างไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็รู้สึกว่าจะไปติดอยู่ที่ความว่างก็ฟังฟัง u t u b e หลวงตาก็รู้ว่าเราไปติดผิดอันละก็ค่อยๆค่อยๆ ค, ค, คลายไปทีละปลอกจากที่ฟังของหลวงตาค่ะว่าสงบก็เอาไม่สงบก็เอาเอามันทั้งนั้นได้ยินครั้งแรกก็น้าตาไหลเลยคือรู้ว่า ที่ผ่านมาคือเราเอาตัวเราไปยึดยึดความว่างแล้วก็ไล่ดับความคิดทั้งหมดนะคะก็จนจนตอนนี้ก็ฟังหลวงตามาเรื่อยๆก็ค่อยๆเข้าใจมากขึ้นเรื่อยๆอะค่ะหลวงตาก็เลยอยากให้หลวงตาช่วยชี้แนะว่ายังยังติดอะไรอยู่อีกไหมค่ะก็ความความรู้สึกตัวและความเข้าใจเราไปเอาไอ ความรู้สึกตัวและความเข้าใจเนี่ยเป็นเป็นตั ว, ตวเรารู้สึกตัวตัวเราเข้าใจเราไม่เห็นว่าความรู้สึกตัวกับความเข้าใจเนี่ยมันเป็นสังขารในการห่าเป็นตัวปรุงแต่งอาศ visible, yeah. ัยเข้าแค่รู้สึกตัวแค่เข้าใจอย่าไปยึดเขาว่าตัวเราเป็นผู้เข้าใจตัวเราเป็นผู้รู้สึกตัวให้มีความรู้สึกตัวและความเข้าใจอยู่อย่างนั้นแหละแต่อย่าไปยึดให้เห็นว่า ความรู้สึกตัวแลาความเข้าใจเป็นสังขารในขันห้าเป็นความปรุงแต่งคือที่เคยปฏิบัติมานะหลวงตาก็จะมีมีความรู้สึกว่าเออเราเราไปเห็นความว่างก่อนอยู่กับความว่างแล้วสุดท้ายมันจะไม่เอากิเลสเองแต่ว่าพอฟังหลวงตาหลวงตาเหมือนกับว่าให้ให้เรารู้ว่าเนี่ยทุกอย่างมันเป็นสังขารท้ารู้มันก็อยู่อยู่ของมันอยู่แล้วพอเราเราเข้าใจละสังขาละละตัวเราที่เข้าไปยึด ไปเรื่อยๆถ้ารู้ก็จะปรากฏให้เราเห็นเอ ง, องจริงๆ ส, สองด้านมันมีอยู่ด้วยกันแล้วสนะองด้านมันอยู่ด้วยกันนะนะแต่ตอนนี้เราไปไปยึดเอาความรู้สึกตัวกับมาเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราแค่แค่แค่ขนาดจิตเดียวที่เราไม่ไม่ไปยึดความรู้สึกตัวเขาก็ยังมีอยู่ความรู้ก็เห็นข้ขอควาใจก็ยังมีแต่ใจก็เป็นความสงบและความว่างเปล่าไปเลยก็คือทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆคือละปล่อยวาง ความยึดถือของเราถูกต้อง <c oughs> แม้แต่พอไปเจอความสงบว่างเปล่าก็ปล่อยให้เป็นความสงบว่างเปล่าไม่มีใครไปยึดถือพยายามยึดถือใจให้ว่างเปล่า <c oughs> ถ้าพยายามไปยึดถือใจจะให้สงบให้ใจว่างเปล่าอันนี้มันก็จะไม่สงบคเ <c oughs> พราะมันจะมีมันยุ่งยุ่งอย่างที่ตัวเราพยายามเนี่ย <c oughs> ความสงบว่างเปล่าเพราะมันอยู่อันก็มันอยู่อย่างงั้นแหะแต่พอมีตัวเราอ่ะเราไปยึดขันห้าเป็นตัวเราเ <c oughs> ป็นตัวตนของเราเราก็พยายามจะทําให้ตัวเราเนี่ยไปสงบแล้วว่างเปล่า มันเลยไม่กลายเป็นความสงบรละว่างปล่าเลยค่ะแล้ว่ามันก็ยังหลงเอาตัวเราไปดิ้นรนค้นหาเนี่ยเราไม่เห็นหว่าตัวที่ดิ้นรนค้นหามเป็นตัวสังขารเป็นตัวสังขารปรุงแต่งในขันท่าขันท่าเนี่ยถึงจะดิ้นรนค้นหายัางไงก็เป็นนิพพานไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นสังขารปรุงแต่งถ้าเราหลงเอาขันท่าไปดิ้นรนค้นหาเป็นิพพานเอาขันท่าไปดิ้นรนค้นหาทางพ้นทุกข์มันจะไม่เป็นนิพพานได้เพราะว่าเราหลงเล่นอยู่ในขันท่า เราหลงคิดปรุงแต่งไปหรือมันมีตัวเราติดไปกับความคิดมันเหมือนอย่างเงี้ยตัวเราเนี่ยเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งเป็นธรรมชาติที่เป็นวิสังขารปรุงแต่งไม่ได้เคลื่อนไหวไม่ได้กับเพื่อไม่ได้ไอ้ตัวที่ก็เคลื่อนไหวได้กับเพื่อได้ปรุงแต่งได้คิดนึกดิ้นลนค้นหาได้อันนี้เป็นสังขารในการห้ามดส่วนเราเนี่ยมันเป็นวิสังขารเป็นอสังขาตถาทัตเป็นธาตุที่ปรุงแต่งไม่ได้ที่มาเข้ารวมผสมกับ ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟธาตุดินก็คือตั้งต้นมาตั้งแต่สเปิร์มของพ่อเรียกว่าไข่เป็นธาตุดินแล้วก็ไข่เป็นธาตุน้ำของแม่ประสมพันธุ์กันแล้วก็แม่ก็หายใจเอาธาตุลมธาตุไฟแล้วกินสาพืชสาสัตว์เข้าไปผสมธาตุแล้วออกมาเรากินก็กินธาตุเอาธาตุกินธาตุกินสาพืชสาสัตว์กินน้ำกินลมกินกินอากาศกินความร้อนแล้วก็กินอยู่ทุกวันนี้ธาตุกินธาตุ ธาตุเหล่านี้มันไม่ ไ, มได้เป็นเราหมาือตั้งเดิมเราเนี่ยเป็นวิ ญ, ญญาณธาตุหรือปฏิสนลที่วิญญาณมามาเข้าผสมไม่ใช่ว่าเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเป็นวิญญาณธาตุหรือธาตุรู้ที่เป็นความว่างเปล่าเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างของธรรมชาติหรือจักรวาลแต่ตอนที่เป็นปฏิสนลที่วิญญาณได้เนี่ยมันยังไม่เป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์มันมีอวิชชาผสมอยู่ มันเลยยังไม่สามารถหายตัวไปเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างธรรมชาติจักรวาลได้เมื่อมันยังไม่เป็นธาตุรู้ที่บริสุทธิ์มันก็เลยถูกบุญระบาดกรรมดีและกรรมชั่วส่งผลให้ต้องไปเกิดใหม่ในร่างต่างๆไปแล้วแต่ว่าไปเกิดในภพภูมิใดตามบุญระบาดกรรมดีและกรรมชั่วของตัวเองหรือว่าตัวองยึดถืออะไรไว้แล้วผลกรรมนั้นก็พาไปแต่ถ้ากลับไปเป็นธาตุรู้หรือใจที่ว่างเปล่าแล้วเนี่ยมันจะไม่มีอะไรให้ผลได้ดบงวันนี้เป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอสังขตธาตุ หรือวิสังขารหรือเป็นความว่างที่ไม่มีอะไรให้ผลขึ้นมันได้ต่อไปมันก็เลยไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดให้รับผลกรรมอีกต่อไปนี่เมื่อเราเป็นาธาตุที่พุงแต่งไม่ได้มีแต่ความรู้เป็นาธาตุรู้ที่บริสุทธิ์เป็นความว่างเปล่ามันปรุงแต่งไม่ได้ดังนั้นอะไรก็ตามที่ภายในจิตใจเราเนี่ยมันมีอาการให้รู้ได้มีมีปฏิกิกริยาปฏิกิริยาการต่างๆให้รู้ได้เช่นมีความรู้สึกตัวมีความรู้ความเห็นความเข้าใจ มีความคิดตึกตองมีอารมณ์ต่างๆส่วนนี้ไม่ใช่เราทั้งหมดมันเป็นมันเป็นขันธ์หน้าที่มาปรุงแต่งเอาในในโลกนี้แล้วก็ต้องดับไปหมดสินเวลาตายแล้วพวกปฏิกิริยาเหล่านี้มันต้องดับหมดเดือดแต่ใจที่ว่างเปล่าแต่ถ้ายังมีอวิชชาผส ม, มอยู่เราอยังไปยึดเอาตัวเราเป็นขันธ์หน้าคือตัวที่ปรุงแต่งได้เอาไปสิ่งที่ปรุงแต่งได้เป็นตัวเราเราก็เอาวิชายังไม่ดับเอาวิชาไม่ดับมันก็ไม่เป็นทา่านรู้ที่บริสุทธิ์มันเรียก ว, ว่ามันรู้หลงอยู่มันรู้หลงคือรู้ทา่านรู้บวกกับอวิชชาเป็นรู้ลง รู้หลงยึดความหลงยึดยังไม่สิน้นมันก็เลยไม่สามารถกลับเป็นความบ้างเปล่าที่บริสุทธิ์ได้วิธีปฏิบัติที่ ง, ง่ายๆก็คือว่าใจเราต้องปล่อยวางสังขารทั้งวลอะไรก็ตามที่มันมีกิริยามีอาการกระเพื่อมมีการไหวตัวมีความรู้สึกตัวมีปัญญามีสติปัญญาแ ม, ม้แต่สติตปะพัญญาทั้งรู้ทั้งรู้สึกตัวทั้งเป็นสติสมาธิปัญญาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่มันเป็นความรู้ความเห็นกวเข้าใจ รู้ละปล่อยวางได้ทั้งหมดสิ่งเหล่านี้ทํากิริยารู้ละปล่อยวางรู้ละปล่อยวางมันก็เป็นสังขารเราอาศัยเขาอาศัยเขารู้ละปล่อยวางอาศัยเขารู้สึกตัวแต่เรามายึดเขาว่าเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของของเราเราก็จะกลายเป็นธรรมชาติของธาตุรู้ที่บริสุดเป็นความว่างเปล่าที่มีแต่ความรู้ตัวตนไม่มีปัจจัยอะไรใดไม่มีให้ปล่อยวางทุกขณะปัจจุบันปล่อยวางสังขารปล่อยวางความรู้สึกตัวปล่อยวางความรู้ความเห็นการเข้าใจ ปล่อยวางความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อาการไม่ว่าจะเป็นกุศลอกุศลให้วางให้หมดปล่อยวางให้หมดไล้เข้าไปยึดถือไม่มีตัวเราเข้าไปวางนะไม่มีตัวเราเพราะว่าตัวเราเป็นความว่างทําปฏิกิริยาอะไรไม่ได้เพียง <Pie> แต่ว่าไม่มีผู้เข้าไปยึดถือ้ปฏิกิริยาอาการทั้งหมดที่ปรากฏในปัจจุบันไม่มีใครเข้าไปยึดถือเลยว่าไม่มีใครไปยึดถือปรุงแต่งยึดถือเราไม่หลงเอาความปรุงแต่งเอาขันห้ามาปรุงแต่งเป็นตัวเราเราก็จะไม่หลงเอาขันห้าไปปรุงแต่งความว่างไปยึดถือ จิตเดือดแทกหรือใจว่างเปล่าอีกคือเข้ากับพอสิ้นความหลงเอาตัวเรามาปรุงแต่งเป็นขนัขนา้าเอาขาน้าปรุงแต่งเป็นตัวเรามันก็จะไม่หลงเอาขนาน้าปรุงแต่งเป็นตัวเราไปยึดถือปฏิกิริยาอาการในปัจจุบันแล้วก็ไม่มีใครไปยึดถือความว่างเข้าใจไหมเข้าใจค่ะก็คือสติตั้งที่ใ จ, ใจใรู้ละปล่อยวางที่ใจทุกอย่างที่เกิดขึ้นที่ใจดูที่ใจรู้ที่ใจปล่อยวางที่ใจละที่ใจปล่อยวางที่ใจ สังเกตอยู่ที่ใจปล่อยวางอยู่ที่ใจตลอดเวลาไม่ปล่อยวางไม่มีใครไปจับไปปล่อยหรอกแต่ว่าเห็นสังขารทั้งหมดไม่มีใครเข้าไปยึดถือแต่เนี่ยมันคือเราหลงอยู่คือเรากลายไปเป็นตัวที่มันเคลื่อนไหวได้ตัวที่คิดที่ค้นที่ตึกที่ตองที่ดิลล์ที่ค้นหาที่พยายามได้เรากลายเป็นตัวพยายามได้ซะแล้วเรากลายเป็นตัวสังขารเลยหมดโอกาสเป็นวิสังขารเพราะว่ามันจะเป็นสภาวะเดียวกันในขณะเดียวกันไม่ได้ถ้าเป็นสังขารอยู่จะไม่มีโอกาสเป็นวิสังขารได้ ถ้าเรายังเอาตัวไอตัวที่เป็นสังขารได้ปรุงแต่งได้เป็นตัวเราหมดโอกาสที่จะเป็นวีสังขารไม่มีทางมันยังไปติดอยู่ที่ตัวเข้าใจก็จะต้องตัวเนี้ยเราไปยึดไอตัวเข้าใจเข้าใจธรรมมากขึ้นเป็นเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราเป็นตัวเราเข้าใจจริงๆเลยตัวเนี้ยเรายิ่งเข้าใจเราก็ยิ่งดิ้นหล่นกลัหาเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเลยกลายเป็นติดทั้งตัวเข้าใจติดทั้งเอาตัวเราหลงมีตัวเราหลงเอาสังขารมาปรุงแต่งดิ้นหล่นกลัหาเราติดเข้าไปในความคิดตลอดเันเนี่ย ก็เห็นเห็นเหมือนกันค่ะหอวงตาเห็นเห็นเห็นอาการที่มันปรากฏขึ้นเกิดขึ้นเองดับเองแล้วเราก็มีเราเข้าไปยึดเป็นพักๆค่ะแล้วก็มีมีพอรู้สึกตัวดีๆสติที่มันต่อเนื่องมันก็พอมันตั้งมัน่นมันก็จะเห็นว่าเรามีกําลังที่เราจะเป็นแค่คนดูเฉยๆแล้วก็ปล่อยอื<ะ>แต่เราก็ยึดเอาคนดูเป็นตัวเราสิใช่ค่ะตรงนเนี้ยเนี่ย พอยึดเรายึเป็นตัวเราเปคนดูปุ๊บมันล่วงเลยนะ่นเนี่ยมันล่วงภูเขาเลยมันเพราะว่าเรากลายไปเป็นตัวคนดูเราเลยถูกดูดได้ได้แรงดึงดูดของเหมือนกับแรงดึงดูดของโลกมันดูดเราได้เลยแรงดึงดูดของกรรมทั้งหลายมันกรดูดเราได้เพราะเรามีตัวเป็นตัวเราเป็นคนดูแต่พอเราเผลอเนี่ยมันก็เอาตัวเราไปคนคิดเป็นดิ้นรนค้นหาเพราะเราตัวเราเข้าใจพอที่เข้าใจปุ๊บเราก็เอาตัวเราไปดิ้นรนค้นหาเพิ่มเติมแต่นี้พอเข้าใจมากเข้าใจมากเราพยายามดิ้นรนค้นหาเพิ่มเติมเพื่อเราจากทุก เวลาไปถึงความเป็นสิ้นสุดอย่างนี้ยิ่งหลงวนพัวพันหลายอย่างหลายตัวเลยสรุปว่าก็คือไปหลงเอาสังขารเป็นตัวเราทุกตัวเิลนแต่สังขารทาหน้าที่ต่างกันไปทำหน้าที่เป็นผู้ดูผู้รู้ผู้เห็นผู้เข้าใจผู้รู้ผู้ละผู้ปล่อยผู้วางผู้ดิ้นรนก้นหาทั้งหมดเนี่ยที่พูดทั้งหมดคือตัวเป็นสังขารปุกแต่งั้เรากลายเป็นเล่นเนี่ยทุกตัวนี้เรายึดเอาเป็นตัวเรามันติดอยู่แค่นี้แล้วเราก็ไม่เห็นแล้วเราก็เราไม่ปล่อยให้มันแสดงแต่ไม่มีใครเข้าไป ยึดถือเพราะเราต้องอาศัยมันเป็นผู้รู้เห็นเข้าใจรู้ละปล่อยวางแต่ไม่ใช่ตัวเราตัวเราเป็นผู้รู้ละปล่อยวางนี่เอาตัวเราเป็นผู้รู้ผู้เห็นผู้เข้าใจเป็นผู้รู้ผู้ละผู้ปล่อยผู้วางเอาตัวเราเนี่ยเป็นตัวไปไปปล่อยปล่อยตัวเราความหลงว่าเป็นตัวเราเข้าไปยึดมันมีแต่รู้เห็นละปล่อยวางไม่มีคนเข้าไปยึดว่าตัวเราเป็นคนรู้เห็นละปล่อยวางมีแต่ความรู้ความรู้ความรู้ไม่อยู่เพราะว่าโจท์ทั้งความรู้นี่กลายไปเป็นพุทธะ ซึ่งมีแต่ความรู้ไม่มีใครยึดเลยกลายเป็นพุทธะความรู้นั้นแล้วก็ไม่ไปยึดสิ่งที่ถูกรู้มันก็เลยกลายเป็นความรู้ที่เป็นพุทธะเป็นความรู้แจ้งไม่ใช่รู้หลงเข้าใจนะค่ะหลวงตาสังเกตมันละเอียดละเอียดนะไม่ว่าความตัวสังเกตมันก็เป็นสติปัญญาที่เราอาศัยมาแต่ตัวดิ้นหล่นค้นหายังมีทุกที่ที่ที่ทีในใจเราเนี่ยเราก็ให้เห็นว่ามันเป็นสังขารเป็นความเป็นความที่ดิ้นหล่นเป็นความปรุงแต่ง ให้เห็นมันไม่ใช่ว่าเราไปมีหน้าที่ดับมันเห็นมันว่ามันเป็นสังขารเป็นความปรุงแต่งเมื่อไม่มีใครหลงไปกับสังขารไม่มีใครติดไปกับสังขารมันก็จะเป็นวิสังขารโดยอัตโนมัติไม่ใช่ว่าเราเอาตัวสังขารเนี่ยไปหาวิสังขารนะถ้าเราเอาตัวสังขารเนี่ยเอาตัวความปรุงแต่งเอาตัวขันหน้าไปพยายามหาวิสังขารไปหาจิตเดิมแท้จิตว่าง อันนี้มันจะกลายเป็นสังขารตลอดเลยเราไม่มีทางจะเอาสังขารไปหาวิสังขารได้เพราะว่าวิสังขารคือความไม่ปรุงแต่งไม่ปรากฏอะไรเลยมันไม่สามารถหาเจออันนั้นเคยพลาดมาแล้วค่ะเราเคยทํามาแล้วอแต่ตอนนี้เราก็ก็ยังมีปรุงแต่งหารละเอียดละเอียดอยู่เนี่ยยังปรากฏการเอาตัวเราไปหลงปรุงแต่งดิ้นรนค้นหาละเอียดละเอียดในส่วนที่เป็นละเอียดละเอียดที่ปลายปภูเขาสุดนิพพานนั่นเอง เข้าใจใช่ไหมเข้าใจค่ะหลวงตาอืถ้าอย่างงี้มก็เหมือนเราไปเกาะหน้าผาไว้เราจะปีนโขนตัวเองขึ้นไปสุดสุดที่สุดของบนภูเขาบนหน้าผาให้ได้เราก็เอาตัวเราที่เป็นขันหน้าพยายามจะโขนตัวเราอาวุธทางโขนตัวเราที่ไปที่ไปเกาะหน้าผาไว้จะโขนตัวเราให้ขึ้นไปอยู่บนหน้าผาให้ได้คือเราพยายามจะเอาตัวเราขึ้นไปที่สุดของหน้าผาที่สุดของภูเขาขึ้นที่ผาให้ได้สูงสุดแต่เนี้ยเป็นการเข้าใจผิด เราจะเอาตัวเราขึ้นไปไม่ได้เพราะว่าตัวเรานนมันเป็นขันท่าเราจะเอาตัวขันท่าโลนตัวเองเน่ะปรุงแต่งเพราะว่าติ่งที่ปรุงแต่งได้นีดิเรกคนหาได้พยายามได้มันเป็นขันท่าตัวปรุงแต่งเราจะเอาขาดขันท่าเนี่ยโขนขันท่าเอาขึ้นเป็นนิพพานไม่ได้พุทธเจ้าบ้านทั้งหลายในคําสวดก็มีว่าปล่อยวางขันท่าเสียแล้วจะเป็นนิพพาน พาลาฮาเวปัญจักขันธาขันดังห้าเป็นของหนักเน้อพาลาฮาบุคโลบุคคลแบะเป็นผู้แบกของหนักพาไปพาลาทานังทุกขังโลเกการแบกถึงของหนักเป็นทุกข์ในโลกเป็นไหมพระเจ้าปล่อยวางของหนักลงเสียหมดแล้วทั้งมาหยิบจวยเอาของหนักอื่นขึ้นมาอีกดิจจาโตบรินิพุตโตเป็นผู้หมดปรารถนาไม่มีความปรารถนาให้แก่ขันห้าต่อไปดับ สนิทซึ่งกิเลสตัณหาไม่มีส่วนเหลือนิจจาโตบรินิพุตโตก็บรรลุนพนานิพานนี่เราก็ยังเข้าใจผิดเลยเราดิ้นรนค้นหาช่วยขันห้ามีความรู้สึกมือเจาขันห่าเนี่ยเวี่ยงตัวมันเองขึ้นไปที่สุดของยอดภูเขาคือนิพพานแต่เราทำตรงข้ามกับพุทธเจ้าพนธะาร์ดปล่อยวางขันท่าไม่ว่งยยขันท่าละอุปทานขันท่า พระอุปทกันนะมันต้องมีความสงบใจที่ละเอียดจริงๆไม่มีเราที่กระเพื่อมที่ไหวตัวแม้แต่ปรานูเดียวถ้าเราไหวตัวหรือปรากฏการกระเพื่อมหรือไหวตัวแม้แต่เพียงปราบนูเดียวหรือไปคิดไปวิเคราะห์ไปตึกไปตองไปดิ้นรนค้นหาเหตุผลใดรก็ตามเสี้ยวยินดีเดียวที่มีตัวเราไปปรากฏการเคลื่อนไหวปรากฏกริยาการปรากฏความปรุงแต่ง มันก็ลงไปเป็นสังขารทันทีหมดโอกาสเป็นวิสังขารเพราะวิสังขารคือไม่อาจปรุงแต่งได้ถ้าเกิดการกระเพื่อมตรงนั้นเราก็ต้องละปล่อยวางว่ามันเป็นสังขารต้องมีปัญญาขัดสูงสุดไม่ใช่ละโดยไม่มีปัญญาละเพราเพราะว่าเห็นว่าเป็นสังขารทั้งหมดเข้าใจว่าทุกอย่างที่เกิดที่เกิดการกระเพื่อมขึ้นที่ใจคือเป็นสังขารทั้งหมดได้ใช่ส่วนเรานั่นเป็นวิสังขารเราไม่ใช่วิ่งวี่งตัวเราที่คิดนึกตอมปรุงแต่งพูดได้ที่เป็นวิสังขารเนีคือ เ, เราที่พูดกันในฐานะสมุติวเราเนี่ยเป็นวิจังขานที่ปรุงแต่งไม่ได้คส่วนใดมันก็เพื่อไว้ตัวหลายให้หมดลปล่อยให้หมดแล้วจะมีคนคพยายามจะเอาขันหน้าไปวางไปจับยึดวิสังขานหรือจับยึดใจที่ว่างเปล่าไว้แล้วปฏิเสธจิตที่ปรุงแต่งที่มีความรู้สึกและิจอารมณ์ทำลักษณะเหมือนกับแม่น้ําแบ่งแม่น้ําเป็นสองฝั่งเราอยู่ฝั่งใจที่ว่าง เอาตัวเราเอาขันห้าเอาความรู้สึกเป็นตัวเราย้ายกระโดดมาอยู่ฝั่งที่ว่างแล้วก็ปล่อยวางจิตทีกระเพื่อมปล่อยวางจิตที่คิดเรื่อต้องปรุงแต่งไว้ฝั่งโดนปฏิเสธไม่เอาโบกมือ บ, า, บ, า, บายๆแต่ตัวเราเอาขนันความรู้สึกที่เป็นตัวเรากระโดดมาอยู่ฝั่งใจที่ว่างเปล่าอย่างเนี้ยมันก็เท่ากับผิดเลยเี่มันก็ไปยึดเอาขันห้ามายึดใจใที่ว่างแล้วปฏิเสธจิตที่ปรุงแต่งหลายคนมหาเราทํำแบบนี้เยอะมากเลยบอกไม่ยึดแล้วขันห้ามายึดจิตปรุงแต่งไม่ยึด แต่เอาความรู้สึกตัวในเป็นตัวเราเนี่ยก็โดดไปอยู่ฝั่งใจที่ไม่ปรุงแต่งที่เป็นความว่างอาจารย์ช่วยดูดิเนี่ยผมว่างหมดเลยหนูว่างหมดเลยเนี่ยว่างหมดเลยเนี่ยหนูว่างหมดอะตัวเราว่างตัวเราว่างกายเป็นไอ้ตัวเราเนี่ยกระโดดไปอยู่ฝั่งที่ว่างแล้วเราก็บอกมือใบไบไอจิตที่ปรุงแต่งไอที่มันกระเพื่อมที่ไหวตัวไม่เอาไม่เอาแต่มาเอาไว้ใจที่ว่างแล้วเราก็อ่านไม่ออกอ่ะเราก็ต้องกลับไปย้อนเห็นอีกทีว่าดูให้ดีในความว่างมีใครปรุงแต่งต้องมาวางไอความปรุงแต่งอีกย้อนกลับมาใหม่ อ้าวมันว่างแล้วทำไมต้องมาดูไอ้ปรุงแต่งอีกเอาก็มายึดความปุงแต่งดูก็ต้องดูกลับมาย้อนดูใครเป็นคนยึดความว่างเอาดูที่เราอะในความว่างมีใครพูดได้บทได้ตึกตองคิดตึกตองพูดได้บทได้ต้องย้อนกลับมาไม่ใช่ว่าเอาตัวเราว่างแล้วไปดูเอาตัวเราที่เป็นตัวความว่างแล้วไปดูจิตที่ปรุงแต่งที่มันคิดได้ได้พูดได้ไปฝั่งไ่น้ําฝั่งโู้นตัวเรามายืนกระโดดมาอยู่ฝั่งความว่างอันนี้จะผิดเลยเราต้องทิ้งที่จะเอาตัวเราไปดู ความแปลงแต่งอย่างอื่นทั้งหมดเลยเราก็สังเกตอยู่ในความว่างเนี่ยที่ตัวเราเนี่ยเป็นผู้รู้ความว่างเพราะความว่างมันรู้ตัวเองไม่ได้ใครเป็นผู้รู้ว่าเราว่างก็ดูตรงเนี่ยใครเป็นผู้รู้ว่าเราว่างล่ะก็ตัวเราเนี่ยเป็นผู้รู้ว่าเราว่างแล้วมันพูดว่าไงอะตัวเราพูดอย่างไงในความว่างแต่ถ้าเราเนี่ยเอาตัวเราเนี่ยไปดูแต่ความว่างเราจะไม่เห็นว่าตัวเราพูดได้เราต้องกลับไปย้อนถามตัวเองว่าใครเป็นคนรู้ความว่างเนี่ยใครเป็นคนรู้ว่าเราว่างก็เราไง ใครจะไปรู้เราว่าเราว่างเนี่ยใครจะไปเขารู้ว่เราว่าก็เราเนี่ยเราเราเป็นคนรู้ว่าเราว่างนั่นแน่เราก็ต้องรู้ว่าเรารู้เราว่างแล้วเราพูดว่าองไรมันบทว่าอย่างไรอู้ยทำไมว่างแบบเนี้อู้เราว่างมากเลยนะเนี่ยว่างมากเลยเราไม่เคยว่างแบบนี้มาก่อนเนี่ยมันพูดจอยจอยจอยจเลยเนี่ความว่างมีตัวเราพูดไม่หยุดเลยเนี่ยอบางทีก็ว่ามันว่างแบบนี้เดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวต้องไปให้อาจารย์รับรองหน่อยเดี๋ยวมันก็พูดใหญ่เลยแล้วก็พากันมาหาเราเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินทาง้ลวแ ก็เรามันไม่ได้ดูว่าในความว่างมีตัวเราพูดไม่หยุดดิแต่มันเอาตัวเราไปดูแต่ความว่างว่างหมดเลยอาจารย์ว่างหมดเลยว่างว่างว่แต่มันไม่ได้ย้อนดูว่าใครเป็นคนรู้ความว่างเราพูดไม่หยุดเนี่ยือเดี๋ยวจะมาให้อาจารย์ดูหน่อยให้อาจารย์รับรองหน่อยนี่มันว่างว่างหมดเลยว่าตลอดอาจารย์ช่วยดูหน่อยที่อะไรเนี่ยมันพูดไม่หยุดเนี่ยแต่อย่างเงี้ยเราก็จะปล่อยวางตัวเราเองได้เพรเราปล่อยวางตัวเองอย่างจิตเนี่ยแล้วจะไม่มีตัวเรามายึดความว่างก็จะกลายเป็นความว่างกับความพรุงแต่งอยู่ด้วยกันคือขัดหน้ายังไม่ดับ ขันห้ากับพงแต่งไปความว่างก็คงเป็นความวาม่างไปไม่มีใครยึดตั้งสิ่งที่พงแต่งแล้วไม่มีใครยึดตั้งความว่างคงปลอ่อยความว่างคือเป็นความรู้พุทธะก็คงเป็นพุทธะที่เป็นความว่างตลอดไปส่วนเออขันห้าเป็นจิตปพงแต่งนั่นนะ่ะมันก็ดับไปเมื่อสิ้นอายุไขก็เหลือแต่พุทธะที่เป็นความว่างเปล่าไม่มีใครยึดบางคนกลัวตายอีกบอกว่าอาจารย์จะน้อง ก, ก็ตายแล้วไม่กลับมาเกิดอีกแล้วก็ตายมยังอยากกลับมาเกิด เดีกลัวตายอะไรเงี้ยก็ยึงเละไปอีกทางอย่างเงี้ยเฮ้ยก็ไปกลายไปเป็นพุทธะเราจะไปกลัวตายอะไรเออกลายไปเป็นพุทธะเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติจักรวาลเราจะไปกลัวตายอะไรเพื่อจะเออไม่ใช่ไอ้แตกดับไปมันมีเฉพาะขันอ่าไอ้ร่างกายธาตุมันแตกก็ขันดับขันคือเวทนาลูกเวทนาสัญญาตั้งข่าววิญญาณมันดับธาตุแตกขันดับแต่พุทธะไม่แตกไม่ดับกลายไปเป็นพุทธะแต่ไม่ใช่ยึดว่า ตัวเราเนี่ยเป็นพุทธะพุทธะคือตัวเรากาเราเนี่ยกลายไปเป็นพุทธะหายตัวไปกลายเป็นหนึ่งเดียวพุทธะคือเป็นแต่ความรู้ที่เป็นความบ้างเปล่าตะนนี้ก็ไม่ต้องกลัวตายบ่อยท่านมันแตกขันดับไปแล้วก็กลายไปเป็นหนึ่งไปเป็นพุทธะหนึ่งเดียวกับพุทธะไม่ใช่หรอย่างนั้นยังไม่ทันตายก็ตัวเราเป็นพุทธะเนี่ยตัวเราเป็นผู้รู้แจ้งตัวเราผู้รู้พ้นตอนนี้อะไรกลายเป็นตัวเรายึดเอาไปพุทธะเป็นตัวเราตอนนี้มันมีทางหลุดพ้นเลยตอนนี้ มันยึดหลายตอนเ ข, ข้าใจไหมเข้าใจอ่ะพอเข้าใจแล้วค่ะดวงตาเนี่ยพยายามพูดถ้ามันเรียงตามระบบมาในการยึดมันเรียงลําดับมาที่หนูยึดอยู่ก็ตอนแรกก็พอความคิดเกิดอาการเกิดก็ไปยึดว่าเป็นเป็นตัวเราตอนนี้ก็ให้มาดูมาดูว่ามีเราเข้าไปเอาอาการต่างๆมีตัวเราเข้าไปยึดอาการต่างๆแล้วก็ ให้รู้ว่าไอ้ตัวเราเนี่ยก็เป็นสังขารเหมือนกันที่คอยพาคอยคอยจัดการคอยอะไรอย่างนี้นะคะก็ต้องทิ้งให้หมดค่ะปล่อยวางให้หมดเพราะว่าตัวรู้มันก็ก็อยู่อย่างนั้นอยู่แล้วไม่ไม่มีการจะเอาเราเข้าไปจัดการเข้าไปเห็นความว่างหรือเข้าไปทําอะไรค่ะให้ปล่อยให้หมดวางให้หมดค่ะแล้วเงิเหลือต้นเนี่ยตัวเราที่ปล่อยวางหมดแล้วไม่เข้าไปยึดอะไร ก็มายึดว่าตัวเราเนี่ยปล่อยวางหมดแล้วตัวเราไม่ยึดอะไรตัวเราไม่ยึดอะไรปล่อยตรงนี้ปล่อยตรงนี้ปล่อยตรงนี้ยังได้ปล่อยตรงนี้ยปล่อยสุดท้ายใช่ใช่ใช่ปล่อยพุทธะปล่อยป่อยวางพุทธะตัวเราเป็นพุทธะตัวเรารู้หมดแล้วตัวเราไม่ยึดอะไรคตัวเราไม่ยึดอะไรตัวเราตอนนี้เรารู้แล้วตอนนี้เราก็เราเข้าใจแล้วให้ปล่อยวางให้หมด ตัวเราตัวเราจะได้มายึดอะไรตัวเราจะได้มายึดอะไรถ้ามีตัวเราไม่ได้ยึดอะไรนี่ยึดตัวเราไงยึดพุทธะยึดใจเลยเนี่ยยึดใจเดิมแท้เนี่ยที่หลวงตามมาบอกว่าปล่อยวางขันห้าหมดแล้วยังไม่เป็นบรรลุนิพพานเพราะมายึดใจอีกคอืมยึดใจเป็นผู้รู้เป็นผู้รู้ที่เป็นพุทธะยึดใจต้องปล่อยวางยึดใจจะเป็นอวิชัยไม่หลงแล้วนะ <laughs> สาธุค่ะ ข, ขอบคุณค่ะหมอฟ้า <c oughs>